และเพื่อให้เครหัสสี่คนกับนักบวชอีกหนึ่งรูปที่กำลังเดินอยู่ภายใต้แสงสลัวของพระจันทร์เครื่องดวงได้ปลอดภัยจากสัตว์เหล่านั้นด้วยเวลาผ่านไปประมาณ40สนาทีก็ถึงบ้านของหนังเช้าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงหลังคามุงสังกะสีบนบ้านจุดตะเกียงเจ้าพายุสว่างสวยัย สิ่งผู้หญิงด่าอย่างหยาบคายดังมาจากบนบ้านนายสมชัยได้ยินถึงกับขนลุกขนาดฟังนางสาวซ้มปล่อยด่ามายกหยกก็ยังรู้สึกว่าสิ่งด่าที่กำลังได้ยินอยู่ขณะนี้หยาบคายกว่าหลายเท่าทั้งไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกค้ำแต่ประการใดในายบ่ายนำท่านพระครูไปนั่งข้างๆพัญญาผู้ซึ่งนอนหลับหูหลับตาด่า อยู่บนเสือจันทบูรณผืนใหม่มีหมอนสีขาวหนุนที่สีสละลูกๆนั่งล้อมวองดูด้วยไม่อาจจะช่วยอะไรได้และทุกครั้งที่มารดาเป็นเช่นนี้พวกเขาก็จะนั่งเฝ้าดูกระทั่งผีมันออกไปเองหากคราวนี้มันเข้านานกว่าทุกครั้งและไม่มีทีท่าว่าจะออกไปง่ายๆบิดาจึงชวนเพื่อนบ้านแล้วพากันไปนิมนต์ท่านพระครู มาช่วยไล่ผีนี่แหละครับหลวงพ่อผีเข้าที่ไรมันด่าลูกด่าผัวไม่พักไม่รู้ผีหาผีเหวที่ไหนมาเข้านายบ่ายบอกท่านพระครูพร้อมด่าผีไปด้วยได้ยินสามีพูดกับท่านพระครูคนถูกผีเข้าลืมตาขึ้นดูนิดหนึง่งเป็นเวลาเดียวกับที่ท่านพระครูจ้องดูนางพอดีเสียงด่าหยุดชะงักลงประเดี๋ยวหนึ่งแล้วคนถูกผีเข้า ก็หลับหูหลับตาด่าต่อไปอีกหากคราวนี้เสียงเบาลงกว่าเดิมมากผีมันคงจะเกรงใจพระนายสมชายคิดเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงให้สงสัยนักว่าผีที่มาเข้านางเช้านั้นเป็นผีจริงหรือผีปลอมกันแน่ท่านต้องใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบจึงได้รู้ว่าเป็นผีปลอมเห็นหนอรายงานว่า วันไหนเล่นไพ่เสียวันนั้นจะต้องถูกผีเข้าแล้วก็จะด่าลูกด่าผัวกระทั่งหลับไปเองแต่ถ้าวันไหนเล่นได้วันนั้นผีไม่เข้าวันนี้เสียมากกว่าทุกวันผีก็เลยเข้าตั้งแต่หัวค่ําแล้วก็ยังไม่ยอมออกจนนายบ่ายผู้สามีต้องไปนิมนต์ท่านมาไล่ผีช่วยหน่อยเธอกรับหลวงพ่อดูท่าทาง มันจะด่ายันรุ่งแน่เลยผมกับลูกเต้าคงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนายบายพูดท่าทางน่าสงสารช่วยแน่โยมอาตมาช่วยแน่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะไล่ให้ออกแทบไม่ทันเที่ยวคอยดูฝีมืออาตมาก็แล้วกันท่านพระครูท่านพูดข่มขวัญผีปลอม ต้องทำน้ำมนต์หรือเปล่าครับผมจะได้ให้ลูกไปหาขันน้ำกับเทียนนายบายถามไม่ต้องไม่ต้องผีรายนี้มันไม่กลัวน้ำมนต์แล้วจะใช้อะไรไล่ล่ะครับท่านพระครูนั่งนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่าใช้ยาเดี๋ยวอาตมาจะปรุงยาให้ผีกิน รับรองว่ากินปุ๊บออกปั๊บเลยต้องใช้อะไรบ้างครับใช้พริกขี้หนูกับเกลือมีหรือเปล่าแห้งหรือสดครับหลวงพอ่อเอาสดสดดีกว่ามีไหมพริกขี้หนูนะ่ะมีครับที่ตนมีเยอะเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใช้ลงไปเก็บมาให้ นายเย็นบุตรชายคนโตของนางเช้าตอบดีดีเอาที่แก่แกนะยิ่งได้สีแดงยิ่งดีผีมันจะได้กลัวเอามาซักกา ม, มือหนึ่งแล้วตากับเกลือมาให้ลุงพ่อครับชายหนุ่มรับคําแล้วเดินไปหยิบไฟฉายในห้องเข้าจัดการตามที่ท่านสั่งด้วยการลงไปเก็บพริกมาหนึ่งกมมือ แล้วนำไปโขลกกับเกลือนที่ในครวัวเสร็จแล้วจึงตักใส่ถ้วยนำมาให้ท่านพระครูขอช้อนด้วยคราวนี้ลูกสาวคนรองเป็นคนไปหยิบมาให้ได้อุปกรณ์ครบถ้วนแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงสั่งว่าเอาละช่วยกันจับผีไว้และป้อนยาเข้าไปทางปากกรอกลงไปให้หมดถ้วยเลย ในบ่ายและลูกๆทำตามที่ท่านสั่งแต่กว่าจะง้างปากผีให้อ้าได้ก็ต้องออกแรงกันพอสมควรเพราะผีดิ้นรนขัดขืนไม่ยอมให้กรอกยาเมื่อยากเข้าปากผีปลอมก็พ่นออกมาเพราะความแสบร้อนในบ่ายและลูกๆต่างพากันหลบเป็นพลวันโอ๊ยเผ็ดเผ็ดทิพไายเลยเสียงผีปลอมโอดครวน ขอน้ำหน่อยน้ำหลวงพ่อไม่น่าทำฉันเลยนางเช้าตัดพอ้อฉันหน่ะใครผีหรือคนท่านพระครูย้อนถามคนจะอีเช้าไงละ่ะหลวงพ่อไม่น่าทำกับอีเช้าอย่างนี้เลยนางลืมตาลุกขึ้นนั่งสั่งลูกชายคนโตว่าไอเย็นขอน้าให้ข้าหน่อยเพ็ดจะตายอยู่แล้ว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 หลวพ่อถึงทำกับฉันแบบนี้อาตมาไม่ได้ทำโยมอาตมาทำผีต่างหากก็ผีมันเข้าโยมอาตมา ก, ก็จะช่วยไล่มันออกไปเห็นไหมพอให้กินยามันรีบออกไปเลยทีหน้าทีหลังถ้ามันมาเข้าอีกก็เอายานี่กรอกปากมันนะหนูนะ ท่านหันไปบอกลูกๆของนางเช้าโอ๊ยพอแล้วจ้ะพอแล้วมันไม่เข้าอีกแล้วฉันรับรองนางเช้าบอกเสียงสัน่นแน่นะท่านพระครูยำ้ำแน่จะ้ะคนถูกผีปลอมเข้ารับคำหนักแน่นนางนึกในใจว่าต่อตานี้ไปถึงจะเสียพ่ยมากแค่ไหนก็จะไม่ยอมทำเป็นผีเข้าอย่างเด็ดขาด เข็ดแล้วเข็ดเป็นตอนแมวเชธอละ่ะขอน้ำฉันกินหน่อยเธอจา่าหลวงพ่อนั่งอ้อนวอนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงสั่งให้หนายเย็นไปนําน้ํามาให้มารดาดื่มเพื่อนบ้านสองคนที่นั่งดูท่านพระครูไล่ผีเมื่อเห็นว่าผีออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงกล่าวลาหลวงพ่อครับผมเห็นจะต้องกราบลาดึกมากแล้วชักง่วง หนึ่งในสองพูดขึ้นคนทั้งสองกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วพากันลุกออกมาขอบใจมากนะที่ไปเป็นเพื่อนนายบ่ายขอบใจเพื่อนบ้านแล้วเหมือนจะนึกอะไรได้จึงบอกบุรุษทั้งสองว่าแล้วใครจะไปเป็นเพื่อนข้าส่งลุงพ่อกลับวัดละ่ะไม่ต้องไปส่งอาตมากลับเองได้โยมสองคนไปเถอะ อาตมาจะอยู่อีกสักพักแล้วค่อยกลับเมื่อท่านพูดเช่นนี้เพื่อนบ้านสองคนจึงลงเรือนไปอาคันตุกะไปแล้วเจ้าอาวาสวัดป่าม่วงจึงพูดกับลูกๆของนางช้าว่าเอาละ่ะพวกหนูๆพากันไปนอนได้แล้วหลวงพ่อจะดูแลแม่เขาให้ปลอดภัยผีออกไปแล้ว ลูกชายหญิงทั้งห้าคนจึงลุกออกมาแล้วต่างแยกย้ายกันไปนอนท่านประครูพูดกับนางเช้าว่าเอาละ่ะทีนี้อาตา ม, มาจะเทศโยมละเห็นไหมนี่ยังไว้หน้ายโยมนะถึงได้รอให้เพื่อนบ้านและลูกๆของโยมลุกออกไปเสกก่อนแต่โยมบ่ายต้องอยู่ฟัง จะได้ช่วยอบรมสั่งสอนและฝึกนิสัยให้โยมเสี้ยมใหม่คนถูกผีปลอมเข้านั่งฟังตาปริบๆสูตรลมเข้าปากซีดๆเพราะยังไม่หายเผ็ดนี่โยมบ่ายรู้ไหมว่าผีอะไรมันมาเข้าโยมเช้าท่านถามสามีคนถูกผีเข้าผีอะไรครับหลวงพ่อ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 เพราะมันเอาไปเสียไพนี่เองนายบ่ายโมโหโกโรธามองหน้าคนเป็นเมียอย่างจะกินเลือดกินเนื้อหลวงพ่อเรื่องอะไรมายุให้ผัวเมียเขาทะเลาะ ก, กันเป็นพระทำไมทำอย่างนี้นางเช้าตอบว่าพลางสูตรปากซีดอาตมาไม่ได้ยุโยมอย่าเข้าใจผิดนี่อาตมาจะช่วยโยมนะ ช่วยไม่ให้โยมต้องตกนรกไงละ่ะท่านพระครูชี้แจงโถหลวงพ่อนรกยังอยู่อีกไกลแล้วจะมีจริงหรือเปล่าก็ายังไม่รู้แน่แต่ที่ใกล้ตัวนี่สิฉันยังไม่ตกรับรองพอหลวงพ่อลงเรือนไปไอ่บ่ายมันเตะฉันแน่นางคาดการเมื่อเห็นสายตาท่าทางของสามีหลวงพ่อครับผมบอกตามตรงว่าผมเกลียดขี้หน้ามันเหลือเกิน อีนี่มันหาความดีไม่ได้เลยคนเป็นสามีพูดอย่างแค้นใจไม่ดีแล้วมึงมาเอากูเป็นเมียทำไมแถมยังมีลูกหัวปีท้ายปีนี่ถ้ากูไม่ทำมันป่านนี้มีเป็นโหลแล้วหรือนางเช้าคุยอวดสเสน่ห์ของตัวเอาละเอาละอย่ามาทะเลาะเบาแวงกันต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าบาปกรรมรู้หรือเปล่า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 เดร์ฉานมันพูดไม่ได้ถึงต้องใช้กำลังเข้าปะทะกันโยมอยากเป็นอย่างงั้นหรือไม่อยากครับคนตอบก้มหน้าดูพื้นมันซ้อมฉันประจำเลยแหละหลวงพ่อสงสัยจะเป็นสัตว์เดร์ฉานมาเกิดนางเช้าถือโอกาสฟ้องและด่าสามีไปด้วยก็โยมมันร้ายกาดนักนี่ปากคอ ยังกะตะไกรโรงพยาบาลนี่อาตมาไม่ได้เข้าข้างโยมบ่ายนะท่านพระครูพูดอย่างเหลืออดถึงว่าสิครับหลวงพ่อผมถึงได้เบื่อมันนักอยากจะทิ้งไปหาเมียมใหม่ก็สงสารลูกๆเอาละเอาละเลิกพูดเลิกทะเลาะกันเสียทีต่อไปนี้ก็ทําตัวเสใหม่นาะโยมเช้าส่วนโยมบ่าย ก็ห้ามทําร้ายกันแบบนั้นค่อยๆพูดค่อยๆจากกันเดี๋ยวอาตมาจะช่วยอบรมให้แล้วท่านจึงพูดกับนางช้าว่าโยมต้องปรับปรุงตัวเส้ใหม่นะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆอีกหน่อยก็จะเป็นย่าคนยายคนแล้วอย่าให้ลูกหลานมาถอนหงอกเอาได้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 ถ้าเขามาตามก็บอกให้ไปหาอาตมาที่วัดนะไปตั้งวงกันที่วัดโน้นบอกเขาอย่างนี้นะแล้วโยมก็ควรจะไปอยู่วัดสักระยะหนึ่งไปอบรมจิตใจให้กิเลสตัณหามันเบาบางลงเสบ้างทิดบายเขาจะยอมให้ฉันไปหรือเปล่าก็ไม่รู้คราวนี้นางเปลี่ยนจากไอมาเป็นทิด โอ้ยเชิญเลยเชิญไปวันนี้พรุ่งนี้เลยถ้าไปแล้วจะทำให้แกดีขึ้นจะไปอยู่นานๆก็ได้ข้าไม่ว่าหรอกช่วยดัดสันดานให้มันหน่อยนะครับลุงพ่อคนเป็นสามีถือโอกาสฝากฝังตกลงงั้นพรุ่งนี้โยมเตรียมข้าวของไปอยู่วัดได้แล้วหันไปพูดกับนายบายว่าแน่ใจนะว่าจะไม่ไปตามกลับมา ประเดียวไม่ทันถึงสามวันก็จะไปบอกแม่อีนูกลับบ้านเถอะลูกๆมันคิดถึงที่แท้ตัวเองนั่นแหละคิดถึงแต่เอาลูกบังหน้าอาตมาเห็นมาหลายรายแล้วคงไม่รกครับหลวงพ่อผมกับลูกๆคงจะสบายขึ้นเพราะอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องถูกมันด่าตอนผีการพนันเข้า ต่อไปนี้ผีไม่เข้าแล้วข้ารับรองได้นงางเช้ารีบบอกสามีด้วยอย่างแสบปากแสบคอไม่หายดีแล้วโยมต้องเลิกให้ได้นะเพราะการพั น, นันมันเป็นอบายมุกอบายมุก ค, คืออะไรจ้าหลวงพ่อคือเหตุแห่งความเสื่อมหรือเหตุแห่งความจิบหายมีหกประการคือ เสพสุราและของมึนเมาหนึ่งเที่ยวกลางคืนหนึ่งเที่ยวดูกาลรเล่นหนึ่งเล่นการพนันหนึ่งคบคนชั่วเป็นมิตรหนึ่งและเกียรติคร้านการงานหนึ่งทั้งหกประการนี้หากใครประพฤติปฏิบัติบุคคลนั้นจะไม่ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองในกรณีของโยมก็เช่นกัน ขื่นไม่เลิกเล่นไพ่รับรองวันหนึ่งต้องหมดเนื้อหมดตัวคนโบราณเขาสอนไว้ว่าโจปรปล้นสิครั้งก็ยังดีกว่าไฟไหม้เพราะบ้านและที่ดินยังเหลือไฟไหม้สิครั้งก็ยังดีกว่าเล่นการพ น, นันเพราะบ้านไหม้แต่ที่ดินยังอยู่แต่การพนันนั้ น, น, นหมดทั้งบ้านทั้งที่ โยมเคยเห็นไหมที่เศรษฐีต้องกลายเป็นยาจกเพราะถูกผีการพ น, นันเข้าสิงโยมอยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ฉันไม่ใช่เศรษฐีนี่นานางเช้าเถียงไปข้างๆครูฟังมันเถอะลุงพ่อแล้อย่างนี้จะไม่หผมอยากเตะมันได้อย่างไงนายบายพูดอย่างมันไสเมียเต็มแก่จริงๆนะ โยมเช้าโยมนี่กวนโทสะเขาจริงๆนั่นแหละอาตมาเองก็ชักเบื่อที่จะพูดกับโยมแล้วก็ในเมื่อเศรษฐียังหมดเนื้อหมดตัวแล้วคนที่ไม่ใช่เศรษฐีจะไม่แย่ยิ่งกว่าหรือยังจะมีหน้ามาเถียงอีกเอาเธอจ้ะฉันยอมแพ้ตกลงฉันจะเลิกเล่นไพ่ยอย่างเด็ดขาดแต่เรื่องไปอยู่วัด ขอคิดดูก่อนอ๋อแล้วที่หลวงพ่อบอกจะช่วยฉันไม่ให้ตกนรกนะ่ะหลวงพ่อช่วยได้จริงๆหรือแล้วนรกที่ว่ามันมีอยู่จริงๆใช่ไหมนางเช้าถามอย่างสนใจอาตมาช่วยได้แค่บอกทางให้ว่าทางนี้ไปนรกทางนี้ไปสวรรค์เมื่อรู้แล้วโยมยังจะเลือกไปนรกอาตมา ก็ช่วยอะไรโยมไม่ได้โยมต้องช่วยตัวเองทํากรรมแทนกันไม่ได้แล้วนรกมันมีจริงๆอย่างที่คนเขาเชื่อกันหรือจ๊ะนางถามอีกถามอย่างนี้แปลว่าโยมไม่เชื่อใช่ไหมก็เชื่อเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมั่นใจนะักถ้าโยมอยากมั่นใจก็ต้องปฏิบัติ วิปัสสนากรรมาฐานถ้าตั้งใจปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเมื่อบรรลุญาณที่สิบสามเมื่อไหร่เมื่อนั้นโยมก็จะไม่สงสัยเรื่องนรกสวรรค์อีกต่อไปถ้าอยากรู้ก็ต้องลงมือพิสูจน์ด้วยตนเองญาณสิบสามคืออะไรจ๊ะคือโคตรภูญาณ ใครปฏิบัติได้ถึงยางนนี้ก็จะเลิกสงสัยเรื่องการมีอยู่ของนรกสวรรค์ถ้าบรรลุถึงยานสิบหกก็จะได้เป็นพระอริยะบุคคลระดับต้นที่เรียกว่าพระโซดาบันเอาเถอะพูดไปโยมก็ไม่เข้าใจหรอกของอย่างนี้ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยคำพูด ต้องลงมือปฏิบัติถึงจะเข้าใจถ้าโยมอยากพิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ถึงหย่านส3บสาไม่มีวิธีอื่นเลยหรือหลวงพ่อคือรู้โดยวิธีอื่นนะจ๊ะมีวิธีที่ว่านี้คือให้ลองตายดูถ้าอยากรู้ก็ลองตายเดี๋ยวนี้เลยก็ได้รับรองได้เห็นนรกแน่ โอ๊ยไม่เอาหอกหลงพ่อฉันไม่กล้าลองกลัวมันจะตายจริงๆนางรีบปฏิเสธในเมื่อไม่กล้าลองแล้วจะรู้ได้ยังไงถ้าอยากรู้ก็ต้องลองจริงไม่โยมท่านถามในบ่ายจริงครับแต่สำหรับผมผมเชื่อร้อยเปอร์เซนเลยครับหลวงพ่อเชื่อโดยไม่ต้องลองทำไมโยมถึงเชื่อละ เพราะผมเชื่อพระพุทธเจ้านะครับพี่เชื่อเพราะมั่นใจว่าท่านไม่ได้หลอกลวงท่านจะมาหลอกลวงเราเพื่อประโยชน์อะไรจริงไม่ครับหลวงพ่อแหมพูดเข้าทีนี่แหละเขาถึงเรียกว่าคนฉลาดหรือโยมเช้าว่ายังไงเง้นก็แปลว่าฉันโง่ใช่ไหมหลวงพ่อว่าฉันโง่ใช่ไหมถามอย่างไม่พอใจ อันนี้โยมคิดเอาเองเอาละ่ะจะตีสองแล้วอาตมาเห็นจะต้องกลับเสตทีท่านรู้โดยไม่ต้องดูนาฬิกานายสมชายนั่งสปงกอยู่ใกล้ๆได้ยินว่าท่านจะกลับก็าตาสว่างอย่าลืมนะโยมเช้าเลิกเล่นไพ่แล้วโยมบ่ายก็เลิกทุกตีเมีย ท่านกำชับสองผัวเมียแต่ถ้ามันยังคืนเล่นอีกแล้วครับลุงพ่อจะให้ผมทำยังไงก็ปรุงยาให้กินสิพริกขี้หนูโ ค, คลกกับเกลือจะยากอะไร <mm> ท่านพระครูบอกเคล็ดลับในการปราบผีการพนันนางเช้ารีบยืนยันด้วยเสียงหนักแน่นว่าเลิกจัดลุงพ่อฉันเลิกเด็ดขาด ทิดบ่ายอย่าให้ฉันกินยานั่นอีกเลยฉันเข็ดแล้วจ้าขากลับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงใช้เวลาเพียง20สิบนาทีก็ถึงวัดกระนั้นก็เป็นเวลาตีสองพอดีนายสมชายง่วงเสีย จ, จนไม่อยากจะวิเคราะห์หาเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาจัดการปิดประตูกุฏิแล้วล้างมือล้างเท้าขึ้นนอนพอหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตาย